218ประมังสุขขังคือสุขอย่างยิ่งนี้มีในยะสำคัญมากนิพพานเป็นโล ก, กุตระธรรมซึ่งต้องสัมมาทิฐิอย่างสำคัญโล ก, กุตระนั้นเลิกหลงรสอร่อยรสสุขรสสนุกความเพลินของทุกสรรพสิ่งในโลกีคิทาระติและอื่น ที่ชาวโลกีหลงว่าเป็นสวรรค์จึงปรารถนากันนักโดยเฉพาะสวรรค์กามาวจรคนผู้หลงโลกีธรรมอยู่เท่านั้นที่หลงมิจฉาทิฐิว่าเป็นทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิมีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบันมีความเข้าใจที่วิปลาสทิฏฐิวิปลาสว่า รสเสพสุขในปัจจุบันนั้นแหละว่าเป็นปรมาสุขขังซึ่งก็คือความเป็นนิพพานนั่นเองความจริงที่แท้จริงนั้นนิพพานคืออาการกจิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์แต่เป็นอาการพิเศษยิ่งกว่าสุขเป็นอาการกลางๆว่างๆเฉยๆอุเบกขาหรืออะทุกขมะสุข เป็นอารมณ์ของความสงบในจิตใจมิใช่ความสงบของร่างกายภายนอกเป็นความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกกลางๆความรู้สึกว่างจากรสโดกีซึ่งได้แก่ความรู้สึกของผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงเนคขมะสิตอุเบคาเวทนาดังนั้นปรมังสุขขังถ้าจะแปลให้ถูกก็คือ ยิ่งกว่าสุขโลกีคือสุขพิเศษยิ่งกว่าสามัญโลกียะปุถุชนหรือยิ่งกว่าสุขแบบโลกโลกนี้แลคือสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรางสุขขังในพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ25ซึ่งไม่ใช่หมายเอาแค่ความสงบของมหาภูตะ ร, รูปสี่หรือความหยุดของวัตถุ หรือความเงียบหรือความอยู่นิ่งๆเท่านั้นแต่ผู้ที่ยังอวิชชาหรือมิชชาทิฐิก็จะเข้าใจว่าปรมาสุขขังคือสุขอย่างยิ่งสุขสูงสุดซึ่งในทิฐิก็เป็นอุปาทานอยู่ว่าสุขคือเป็นรสโลกีที่บำเรอใจที่ชอบอารมณ์สมใจที่เสพรสแบบโลกีปุจชน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่วิปลาสแต่คนปุถุชนนั้นจะเห็นมีทิฏฐิว่าเป็นความจริงจริ ง, รงเป็นจริ ง, เ ป, รงเป็นจังอย่างไม่มีวิจิกิจฉาใดใดเลยนะนั่นคือภาวะสุขที่เกิดอยู่ในกาละแห่งปัจจุบันนี้แหละซึ่งที่จริงมันคือวิปลาสสามที่เต็มครบทั้งวิปลาสสีเลยทีเดียว ที่เกิดอยู่เป็นปัจจุบันนั้นเลยไม่ใช่ภาวะอดีตหรืออนาคตหลงว่าเป็นยอดแห่งสุขทีเดียวปรมางมาสุขขังหลงได้ชนิดที่เรียกได้ว่าวิปลาสกันแท้ๆจริงๆเพราะหลงว่าสุขนี้คือสิ่งที่พึงได้พึงเป็นสุภะทั้งทั้งที่สุขนี้มันคือทุกข ที่เป็นเหตุตัวร้ายพาก่อเกิดนิทานสมุไทยปัจจัยมาตลอดกับกันด้วยอวิชชาสุกมันเป็นสุกเทศสุกคณิกะมันไม่มีตัวตนจริงแต่ผู้ที่ยังมีวิปลาสสามอยู่ก็จะยังไขว่คว้าเอาตัวตนอัจจาของมันมามีให้ตนเสพรสโรกีการรส รถที่เกิดในนิวร์ห้าเป็นต้นอยู่นั่นแหละผู้ปฏิบัติสัมมาทิฏฐิจนบรรลุโล ก, กุรธรรมนี้แล้วจะไม่มีความรู้สึกหรือไม่มีอาการสุขซึ่งมันคือทุกข์ที่สร้างมิธานสมุทัยปัใจจัยให้ตนแท้ๆมันก็คือฝันที่คนหลงเพอพกอยู่กับมันมาตลอดที่อวิชชา